ข้งตกทานที่พระพุทธททเจ้าเป็นประธานในการประพฤติปฏิบัติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มีแต่อาการที่เป็นไปเพื่อความแก้ความถอดถอนกิเลสทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่กิเลสจะ เล็ลอดเข้ามาถึงขนาดที่จะมาตั้งร้านตลาดในสถานที่อยู่แล้วหัวใจของพระสงฆ์เหล่านั้นได้เพราะท่านมีความเข้มงวดกวดขันมีเจตนามุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นกระแสของจิตจึงมุ่งไปทางด้านอัตถธรรม เป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะคิดในแง่ใดให้เสียวเวลาและสร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตนเปล่าๆดังที่ท่านสอนว่ากายวิเวก ค, ความสงับทางกายปราศจากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ค้เข้ากับอายตนะภายในคือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจ ท่านจึงท่านจึงสอนให้อยู่ในที่เหมาะสมอย่างยิ่งในป่าในเขาลุกขมูลล่มไม้ซึ่งเป็นที่สงัดกายไม่ได้กระทบกระเทือนกับสิ่งที่จะส่งเสริมหรือปลุกให้กิเลสที่สงบตัวอยู่ภายในนั้นฟุ้งตัวขึ้นมา เพาะกิเลสอยู่ภายในใจที่ไม่มีอะไรเข้าไปส่งเสริมนั้นก็เช่นเดียวกับไฟที่อยู่ในถังอยู่กับฐานไฟไม่มีเชื้อไฟเข้าไปเป็นเครื่องส่งเสริมไฟก็ไม่แสดงเปลวออกมาสงบตัวอยู่ภายในเตานั้นแต่เมื่อมีสิ่งเช่นเชื้อไฟเป็นต้น แสงเข้าไปนั้นไฟที่อยู่ในเตานั้นจะเริ่มแสดงเปลวขึ้นมามากน้อยตามกำลังแห่งสิ่งที่ส่งเสริมให้ไฟนั้นลุกลามมากน้อยเพียงไดใจของเราก็เหมือนกันานทานไฟก็เหมือนกับใจไฟเองก็คือ ทานทานไฟเหมือนกับใจไฟนั้นก็เหมือนกับไอเหลืนั้นเหมือนกับไฟที่อยู่กับฐานนั้นแดงโลกอย่อย่างนั้นแต่ไม่แสดงเปลวมากก็ไม่รุ่มร้อนมากเมื่อไม่มีอะไรมาส่งเสริมคือจิดกันภายในได้แก่เชื้อไฟ คือรูปเสียงกลิ่นรสสีแสงต่างๆที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมให้กิเลสภายในฟุ้งตัวขึ้นมาใจก็สงบแล้วให้ใจจากนอกจากความสงบสงับภายในกายนั้นแล้วยังสอนจิตตะวิเวกในสงั์สงทางจิต คือจิตก็ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสายแสหาอารมณ์ต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาตัวเองเพื่ออุปธินิเวศคือความสงบจากกิเลสโดยประการทั้งปวงทำสามประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันการอยู่ในป่าก็เพื่อกายได้รับความสงัดไม่กระทบกระเทือน กิตงต่างๆที่เข้าไปสัมผั ส, สัำพันสัมพันเพื่อ ล, ล่วงไหลเข้าไปสู่ใจให้รับการกำเริบนะจิตก็ทำหน้าที่อิตะภาวนาระมัดระวังอารมณ์ที่เคยเป็นภัยไม่ให้เข้ามายุ่งไม่ให้จิตไปทำงานในประเพณนั้นแต่มีงานทางด้านธรรมะงานเพื่อใจสงบงานเพื่อถอดถอนกิเลส ด, ด้วยธรรม แงใดบทใดก็ น, นำทำแง น, นั้นบทตนั้นมาบำเพ็นนี่เรียกว่าบเาเพ็ญธรรมเมื่อใจได้รับการบำรุงการรักษาอย่างเข้มงวดขวดขันอยู่ทุกอาการหรือทุกอิริยาบถแล้วใจย่อมจะมีความสงบที่เรียกว่ายิตวิเวศคือความสงัดใจ ใจที่สงบสงัดได้ก็เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนนั่นเองที่ไม่มีสิ่งก่อกวนก็เพราะการน้มัดระวังหาอยู่ในที่เหมาะสมเช่นกายรยเมฆการอยู่ในป่าผู้ไม่เคยอยู่ในป่าก็ไม่เห็นคุณค่าของป่าของการอยู่ในป่าแต่การอยู่ในป่ากับการอยู่ในแดนบ้าน วัดป่ากับบ้บานๆสถานที่ใกล้บ้านใกล้เมืองกับอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองนั้นสิ่งเกี่ยวข้องก่อควร น, นั้นต่างกันอยู่มากอยู่ในบ้านแดนบ้านจิตใจมีแต่เรื่องกําเริดสืบสารที่จะเป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสให้มากมูลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางที่ทำจะ ร่วงไหลหรือจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเสาะแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมคือการอยู่ในป่าป่าเป็นป่าหลักธรรมชาติไม่ใช่ป่าผู้ป่าคนป่าสมบัติเงินทองป่าเครื่องส่งเสริมกิเลสเช่นป่ารูปป่าเสียงป่ากลิ่นป่ารสป่าเครื่องสัมผัสรบกวนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นป่าที่เป็นฝืนเป็นไฟ ป่าเหล่านี้ย่อมไม่มีในป่าไม้ในภูเขาอันแท้จริงมีแต่ป่าโดยหลักธรรมชาติคือป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชื่นใจมองดูทัศนียภาพต่างๆเป็นเครื่องปลุกใจเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ตลอดเวลาผู้มุ่งอัดมุ่งทำย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงในทัศนียภาพที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้น เมื่อ น, น้อมเข้ามาสู่ใจใจก็ไม่ได้สายแสเร่ร่อนไปหาสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟซึ่งเคยเผาตัวมาแล้วแต่มีเรื่องธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องรื่นเืิงของใจผู้บำเพ็ญอยู่ในปา่าจะเป็นกิจขั้นใดภูมิใดก็ตามย่อมได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญทั่วหน้ากันหรือทุกๆกรายไปท่านจึงสอนให กายวิเวคคืออยู่ในป่าป่าเช่นนั้นแหละเป็นป่าที่ไม่ได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมากเหมือนป่าทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นเมื่อ ก, การอยู่ในป่าเป็นนิสัยจิตใจ ย, ย่อมได้ฝึกอบรมตนเป็นนิสัยเช่นเดียวกัน การฝึกอบรมและการอยู่จนเป็นนิสัยในสถานที่เป็นมงคลเช่นนั้นย่อมจะยังอธรทมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะทรมักไม่เกิดในสถานที่ที่เป็นอันตรายเมื่อจิตใจหรือสติปัญญายังไม่สามารถที่จะปรับออกได้ทันเหตุทันการ จึงต้องสาะแสวงหาที่เหมาะสมคือป่าคือเขาลำนอไพรต่างๆอันเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในป่ายิ่งเป็นป่าที่มีภพยรอบด้านด้วยแล้วย่อมจะตื่นตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนสติติดแนบอยู่กับตัวการที่สติติดแนบอยู่กับตัวก็เท่ากับการรักษาใจของตัวหรือใจของเรา ให้มีความเข้ากล้าปลอดภัยอยู่โดยสม่ำเสมเนอนั่นแหละเมื่ออยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความเคยชินมีความรื่นเริงบันเทิงกับสถานที่เช่นนั้นมากขึ้นพร้อมทั้งผลที่เกิดทีด่ขึ้นจากการบำเพ็ญด้วยความสะดวกในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ความสงบเย็นใจความแยบคายของใจคือใจนี้ดังที่เคยกล่าวแล้วว่าความรู้นี้หาประมาณไม่ได้เลย ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเกิดจะมีจะรู้จะเห็นย่อมจะรู้จะเห็นได้ตามวิสัยของใจที่มีช่องทางที่จะให้รู้ให้เห็นด้วยปฏิปทาที่ถูกต้องดีงามเพราะปฏิปทาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเพื่อเบอิกทางให้จิตได้เดินได้รู้ได้เห็นเหมือนเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆเดินไปที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายมีย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์กับ สิ่งรอบด้านภายในตัวของเราไปโดยลำดับลาดาไม่มีที่สิ้นสุดที่จะได้พบได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวข้างเราในสองภาคทางหรือในสถานที่นั้นๆซึ่งเราเดินผ่านไปใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกได้แก่ปฏิปทาเครื่องดาเนินแล้วมจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่ อยู่ในวิสัยของตนได้เป็นลำดับไปยกตัวอย่างเช่นสมาธิคือความสงบใจเาเราเห็นแค่นี้ก่อนนะยังไม่เห็นกว้าขงขวางออกไปก็ตามความสงบใจนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิลไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางมีแต่โลกมีแต่กิเลสมีแต่สิ่งนั้นหน า, นาทาให้ปัญญาและสติหยาบที่สุด มืดดำตื้ออยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะมองมองเห็นอะไรนอกจากมองเห็นแต่ความมืดดำกำตาซึ่งหาเหตุผลใดๆไม่ได้นอกจากเป็นภัยแก่ตนโดยลำดับลำดาอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมีทมเป็นเครื่องบุกเบิกจิตใจเช่นภาวนาจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกท่านผู้ใด มีจดิตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาให้จิตเกาะจิดยึดอยู่ในธรรมบริกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการบุกเบิกหิตใจให้ได้รู้ในเห็นสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นในนิสัยแห่งการภาวนาขั้นนี้มีความสงบใจเป็นสําคัญนี่ใจนี้เมื่อได้รับการอบรมนั่นหละคือทําบุกเบิกให้ย่อมจะปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมา ทั้งทั้งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยคาดแต่เราพยายามดำเนินตามแนวทางที่ท่านแนะไว้สอนไว้ด้วยอจัจด้วยทำใจย่อมจะมีความสงบเย็นเมื่อสงบแล้วย่อมเย็นใจนี่เพียงขั้นเริ่มแรกก็เห็นความแปลกประหลาดด้วยการบุกเบิกของธรรมแล้วแล้วยิ่งนำธรรมเข้ามาแนบสนิทติดกับใจหยิด โดยตลอดโดยตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาในธรรมกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นโดยสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความสงบละเอียดลงไปนี่แหละสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้อย่างนี้แหละเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ไปก่อนคำว่าเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนนั้นเพราะธรรมที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ยังมีจิต ประเภทที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้เพราะเห็นอาจเห็นธรรมที่เลิศเลอกว่านี้ยังมีอยู่มากมายจึงต้องพูดว่าเพียงขั้นนี้แค่นี้ไปก่อนเพราะขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มแรกใจย่อมสงบนี่เพราะมีธรรมบุกเบิกกรุณาพากันจํามาไว้อันนี้เมื่อทมลงไปเรื่อยๆใจย่อมละเอียดลงไปละเอียดลงไป เมื่อใจละเอียดลงไปใจมีความอิ่นตัวไปโดยลำดับพอใจในอารมณ์แห่งธรรมที่อยู่กับตัวอยู่แล้วพิจารณาแต่ตรองในธรรมแง่ใดที่จะบุกเบิกทางด้านปัญญาให้มีความละเอียดแล้มคมยิ่งกว่าขั้นสมาธิคือควา ม, วามสงบเพียงความสงบเท่านั้นใจก็ยิ่งจะมีความละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี้นั่น นั่นท่านเรียกว่าปัญญาธรรมเหล่านี้เป็นสวักห า, าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วจากการทรงรู้ทรงเห็นที่ชอบและสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงไม่มีผิดท่านจึงสอนให้ดำเนินปัญญาการดำเนินปัญญาไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าจะถึงมุมุดพ้นเสมอเสียเมื่อใดแล้วปัญญาก็จะยุติไปเองโดยไม่ต้องถามใครก็เข้าใจอีกเช่นเดียวกันนี่อธิบายพอเป็นแนวทางในการบุกเบิกจิตใจของเราที่เป็นของแปลกประหลาดและอจจัจฉรย์มากไม่อยู่ในความคาดความคิดไม่อยู่ในขอบเขตแห่งการคาดคะเน ด, ด้นเดาของผู้ใดของโลกใดทั้งนั้น เมื่อทําได้บุกเบิกให้จิตใจได้รู้ได้เห็นแล้วใจย่อมสามารถจะรู้จะเห็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด <ST IT US K> เช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีโลกไหนคนใดรายใดที่สามารถได้รู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทารงรู้เห็นและนํามาประกาศสอนโลกด้วยความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้น่ะไม่มีเลย <ST IT US K> นี่แหละก็ <ST IT US K> เพราะเป็นความสามารถของใจที่มีทาเป็นเครื่องเบิกทางให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งใดจะละเอียดแค่ไหนสติปัญญามีความละเอียดพอตัวไปตามขั้นนั้นๆแล้วย่อมจะสามารถรู้เห็นไปได้หมดโดยไม่อยู่ในการคาดกะเนด้นเด า, นเาของผู้หนึ่งผู้ใดแม้ของเจ้าของเองก็ตาม หากเป็นความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจเพราะความเหมาะสมกับปฏิบัติาเครื่องดาเนินบุกเบิกนั้นพาให้เป็นไปนี่ว่าทำจึงไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะคาดคะเนจะด้นเดาจากวินิจฉัยใครควรอย่างไรภาคในในธรรมภาคความจริงนี้ที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยใจของตัวเองนี้ไม่มีใครคาดได้วินิจฉัยได้ทั้งนั้น นอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นผู้บุกเบิกไปและรู้เห็นไปโดยลำดับลำดาโจนกระทั่งรู้แจง้งแทงทะลุไปหมดไม่มีทางสงสัยทั้งๆที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่กับใดกันใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยปฏิปทาเครื่องบุกเบิกนั้นแล้วย่อมหายสงสัยไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า นำทำ ม, มาประกาศสอนโลกพระองค์เคยรู้มาแต่ก่อนเมื่อไหร่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพบาดชาติใดก็นอนจมอยู่กับกิเลสให้กิเลสปิดบังหุ่มห่อไว้หมดมิชิดปิดตัวหาทางก้าวออกสู่อัตสู่ธรรมสู่ความจริงไม่ได้นอกจากมันเปิดทางให้ก้าวหรือให้ทะเลท่าไหลลงไปสู่ความจอมปลอมแล้วเผาด้วยปืนด้วยไฟคือกิเลสบาป ก, กรรมประเภทต่างๆอยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่น แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระองค์สงสัยที่ไหนเพียงเจอเข้าเท่านั้นก่อนนำก็พระจักพระไถ่และนำทาเหล่านั้นมาสอนโลกได้อย่างนั้นได้เต็มตามความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านทั้งๆ ท, ที่ใครไม่เคยรู้เคยเห็นก็าตามพระองค์ซึ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมาก่อนก็าตาม เมื่อได้สู่รงรู้ตรงเห็นแล้วก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานั่นแหละเราจะไม่เคยเห็นมากว่าตาเมื่อเจอเข้าไปแล้วจ้องต้องทราบทันทีว่านั้นคือสิ่งนั้นนั้นคือสิ่งนั้นนี่นี่ก็เหมือนกันเพราะเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องท่องบนสังวรทยายอะไรเลยเมื่อเจอเข้าก็จริงทันทีทันทีชัดเจนทันทีหายสงสัยทันทีนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ทรงบุกเบิกโดยลําพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามผู้ทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอาศัยใครเป็นผู้แนะแนวทางให้แต่ทรงตะเกียกตะกายโดยลําพังพระองค์เองจนสามารถรู้แจง้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นแหละที่โลกทั้งหลายไม่มีรายใด จะเลดลอดออกไปรู้ไปเห็นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นนั่นแหละเอานําเอามาสอนโลกและเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแผดเผาโลกอยู่ตลอดเวลานารกไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาล่ะบาปไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผากิเลสไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของโลกและปิดบังความจริงทั้งหลายไว้โดยสิ้นเชิงไม่ให้มองเห็นความจริง ถ้าลงได้มองเห็นความจริงแล้วใครจะกล้าทําบาปก็บาปเป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟใครจะกล้าไปจับไปแตะต้องพอมองเห็นเท่านั้นเดินเฉียดไปเท่านั้นมันแสดงเปลวออกมาสัมผัสน้ำผ่านเพียงผิวหนังเท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่าไฟนี้เป็นของร้อนใครว่ามันเย็นเมื่อไหร่แล้วใครจะดื้อด้านหานเข้าไปจับไปต้องไปคลุกเคล้ากับไฟลิ่นนอนจมอยู่ในไฟนั้นได้ล่ะ นี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นปืนเป็นไฟท่านจักรีนเรียกว่าราคคินาไฟกองใหญ่คือราคะโทสักินาไฟกองใหญ่คือโทสะความปัตุสลายโมหกินา oh ไฟกองใหญ่ที่สุดที่รวมแห่งจิตแห่งไฟทั้งหลายก็คือโมหะโมหะนี่ครอบไม่หมดเลยไฟเหล่านี้แหละมันเป็นสาเหตุ ทั้งเป็นตัวผลอยู่ในตัวที่จะให้เราสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเผาตัวเองโดยโดยไม่รู้แล้วตกนรกจะไปตกที่ไหนอันใดจะพาให้ไปตกทางของนรกคืออะไรใครเห็นไหมทางของนรกคล้ายประเภทเหล่านี้ใครเห็นไหมทั้งทั้งที่แผดเผาหัวใจตลอดเวลาก็เหมือนกับใสเดือนมันดิน้นดนกระวนกวายอยู่ด้วยความร้อนเพราะถูกแผดเผาจากดินที่ ร, ร้อนๆนั่นแหละ จิตใจที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องมีฉายก็ย่อมจะตะเกียกตะการอยู่กับฟืนกับไปคือคกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วทะเลทถลายถูกมันขับมันใสลงไปตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้นี่ศาสตร์โลกทั้งหลายเคยเป็นมามากเท่าไหร่ไม่มีรายใดที่จะปฏิเสธได้เลยว่าไม่เคยได้ถูกทรมาน เพราะกรรมที่ตนทํามาจนถึงขั้นตตกนรกได้เลยแม้ตนเองไม่เห็นจะยืนยันด้วยความไม่เห็นเท่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงที่ตนเป็นมาได้นี่พระพุทธเจ้าจึงเอาความจริงเหล่านี้มาสอนโลกให้โลกได้เห็นว่าไฟเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นปืนเป็นไฟมันเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงและทำมาตกนรกบุกไม่ตกอย่างไรเผาอย่างไรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแ้งนี่ เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์โลกทุกรายไปเลยไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะผ่านพ้นเป็นเอกเทศไปได้จากสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านผู้สิ้นจิเลสแล้วเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระหันท่านอันนี้เป็นอันว่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้นอกจากนั้นทั้งนั้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพระองค์ทําไมจะไม่สอนละ่ะ ผู้ที่สามารถที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายไม่ใช่ผู้ไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธตนและปฏิเสธทั้งสัตว์ทั่วโลกดินแดนจะไม่สามารถหรือจะหรื อ, รอไม่เชื่อไม่เชื่อถือว่ามีหรือไม่มีให้ลบล้างสิ่งหนั้นไปได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะลบล้างกันนอกจากเราจะลบล้างความชั่วของเราไม่ไม่ไม่ทำความชั่ว ลบล้างตรงนี้แล้วผลก็จะไม่เกิดแล้วก็จะไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์รือถูกความทรมานในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีเท่านั้นแต่อย่างอื่นที่เราจะเอานามาปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้มีแล้วเราทาตามความชอบใจของเราความชอบใจของเรานั้นแหละคือสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมที่สุดสัตว์โลกหลายจมอยู่เพราะสิ่งหลอกลวงที่แหมคมนี้ทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะสามารถทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้แหลมคมไม่มีอะไรเกินในโลกอันนี้ผู้ที่แหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่โลกทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มหัวใจไม่รู้ไม่เห็นทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งจมกันอยู่นั้นนั้นท่านเห็นทั้งความจมอยู่ทั้งสาเหตุที่จะให้ตก ทั้งตุที่จให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกให้เรียนรู้เรื่องรู้ราวเพราะศาสตร์โลกที่สามารถจะรู้เรื่องรูนราวในธรรมทั้งหลายที่ท่านประกาศสอนอยู่นี้มีอยู่มากมายไม่ใช่ไ ม, ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ศาสดาดลนเดาจะไม่นำธรรมที่เป็นอัถฐานะคือเป็นไปมาได้แก่ศาตว์โลกทั้งหลายมาสอนโลกให้เสียเว ล, เวลาให้ลําบากเปล่ า, าๆเลย นี่ก็เพราะทมนี้เหมาะควรแก่โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายนั้นคือมนุษย์ของเหล่านี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งศาสนาธรรมที่จะยังเข้าถึงจิตใจได้จึงต้องศาสนาจึงต้องประกาศสอนอยู่ที่โลกมนุษย์เรานี่การกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องมาจากกายวิเวกคือความสังัดกายบำเพ็ญด้วยความสังัดย่อมไม่รับได้ระมัดระวังภัยลําบากลําบุญ แล้วก็บเพ็งจิตตภาวนาเพื่อจิต ว, วิเวกจิตก็เป็นจิตที่สงบเมื่อสงบแล้วนำพิจารณาอัดทำด้วยปัญญาก็ย่อมสอดส่องท้อ ง, ทองแทงทะลุไปได้เพราะไม่มีอุปสรรคจิตใจก็อิ่มตัวด้วยความสงบมีอารมณ์คือความสงบนั้นเป็นอาหารของใจพิจารณาแยบคายก็ไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็่อยรู้ก็เห็นขึ้นไปดยลาดับธรรดา จะพออย่างยิ่งที่ติดแนบอยู่กับตัวของเรานี่ก็คือกองอันนี้จังทุกขังนาตาที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี้แหละเป็นสําคัญมากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละเราพิจารณาดูสิความเห็นของเรากับความเห็นของพระพุทธเจ้าในร่างกายนี่เท่านั้นล่ะต่างกันไหมพระพุทธเจ้าเห็นมาร่างกายนี่ท่านสอนอะไรเจสาโลมานะขาตันตาตะโจเบื้องต้นสอนเพื่ออะไร แลเรื่องความมุ่งหมายมุ่งหมายอย่างไรคือสอนลงตามความจริงของมันที่มีอยู่เป็นอยู่ของอาการเหล่านี้มีตระจนักปรรยากากรรมฐานห้านี้เป็นต้นว่าที่อยู่ที่เกิดของละของมันเป็นยังไงวิเศษวิโสไหมมีความสะอาดสะอ้านไหมมีความสดสวยงดงามไหมมีความีรังถาวรไหม แล้วย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงภายนมันมีแต่กองอสุภะอสุพังทั้งเป็นในบุคคลคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งเต็มไปหมดในร่างกายนี้อันนี้หรือเป็นเ่าพิจารณาทีเรามุ่งหวังอย่างยิ่งเหลือกับสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้เราจึงเอาสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้มาว่ามาเป็นเรามาเป็นของเราทั้งเขาทั้งเรามันทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมพิงสอนนั้นว่าท่านท่านทรงรู้ท่านรทานงรงละได้แล้ว เห็นผลจากความละความรู้เหล่านี้อย่างสมบูรณ์พอวัตถัยจนกลายเป็นศาสตาองค์เอกขึ้นมาแล้วจึงนําธรรมะเหล่านั้นมาสอนพวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเป็นของมีอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่เพียงยกตัวอย่างเท่านี้เราก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าความรู้กวาเห็นของพระพุทธเจ้ากับเรานี่ยมันต่างกันอย่างไรกิเลสมันมันเป็นยังไงมันดื้ออัดดื้อทำไหมมันดื้อต่อศาสตราไหมมันดื้อต่อสารณะ คือพูดที่เจ้าพระธรรมประสงค์หัายท่านว่าอย่างนี้มันกลับว่าอย่างนั้นท่านว่าอันนี้ไม่สวยไม่งามมันบอกว่าสวยงามมันคืนมันฝืนกันอยู่ภายในในหลักธรรมชาติไม่ใช่เรามีเกีรตนาที่จะฝืนนะกิเลสต่างหากตัวฝืนธรรมเป็นมานของธรรมมันฝืนว่าอั น, นิีจังมันก็ไม่บอกว่าอันนี้จังใช่เที่ยงไม่เที่ยงสวยไม่งามก็ตามขอให้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเราเป็นที่พอใจแล้วนั่นตั้งที่มันคืนเอาหมดเลย มันไม่ต้องวินิจฉัยค่ควรอะไรตามเหตุตามผลอะเรื่องของกิเลตเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงทําคนให้ผิดพลาดเสมอไม่มีธรรมาดีถ้าลงได้ทําตามอารมณ์ของกิรลสนะจะผิดไปทั้งนั้นแต่ถ้าทําตามอารมณ์ของธรรมแล้วจะค่อยถูกไปถูกไปจนเป็นนิสยัยค่อยควรพินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจได้ตามหลักจักราที่ทรงสอนไว้ว่าเจสสาเปียงไงไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้เพราะวินิจฉัยมาพอแล้วสมบุกสมบันเอาจนถึงเป็นถึงตายเพราะการพิจารณา กรรมถามตั้งหันในภาคปฏิบัติเจษสาโรมานากขาตันตาตะโจจนกระทั่งถึอาการสาที่สพนาใกล้ควรดูหมดทุกแง่ทุกมุมว่าอะไรมันเป็นเรามันเป็นของเราความจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำปลอมออกมาจากดินแท้จากน้ําแท้จากลมจากไฟแท้มันยังมาเสกสรรเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นมกุลได้ต่อหน้าต่อตาทั้งที่อันนี้เขาไม่ได้รับทราบอะไรจากความเสกสรรปัญนยอของจิตใจดวงที่ขี้เด็ด ตัวหลอกลวงนั้นคุ้มหออยู่นั่นเลยมันยังฝืนทําได้นี่แหละความรู้ประเภท น, นี่นี่กับความรู้ประเภทของขอ ง, ของพระพุทธเจ้ามันต่างกันอย่างไรนี่แหละทีนี้เมื่อดนําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาซักมาฟอกมาพินิจพิจารณาตลบท บ, ท, บ, ท, บ, ท, บทวนหลายครั้งหลายหนก็คอยแจ่มออกมาแจ่มออกมาคําว่าอันนี้จังก็ดีทุกขังก็ดีอัตาก็ดีก็คอยแย้มความจริงออกมาความจริงออกมา เพราะทําเป็นของจริงสอนให้เพื่อรู้ความจริงพระมาอสุภาอสุพัน์ก็พิจารณานอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าด้วยให้ไปดูปชาช้าถ้าดูป่าป่าช้าผีดิบผีเป็นอยู่คือเราเนี่ยภายในร่างกายของเรามันมีแต่ป่าช้าเต็มหมดยังไม่เห็นเอาให้ไปดูป่าช้าที่ตายคนตายเก่าตายใหม่เกลื่อนอยู่ในปาช้านั้นเพราะขั้นพุทธการเขาไม่มีเผามีฝังกันใครตายก็ไปทิ้งเกลื่อนเหมือนขอนสูงนั่นแหละแล้วไปดู เมื่อดูแล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเรียกว่าโอปัญญิ่งูจนเป็นที่เข้าใจน่านเห็นใหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนนั้นไม่เข้าใจเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงหลายครั้งและผลก็ค่อยเข้าใจเข้าไปเข้าใจเข้าไปแล้วกายของเหล่านี้เลยกลายเป็นอสุภะทั้งกองเห็นเกิดความขยะแขยงเกิดความยึหนาละอาใจแล้วจิตใจค่อยๆเพิกถอนเพิกถอนขึ้นมาจากความสําคัญผิดยึดมั่นถือมั่นอันนั้นถอนขึ้นมาเป็นตัวของตัว โดยลำดับลําดานและพิจารณาย้ําเข้าไปย้ําเข้าไปยิ่งเจ่มแจ้งชัดเจนเข้าไปยิ่งปล่อยได้นั่นเห็นไหมนี่แหละปล่อยได้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยบงด้วยการบังคับเฉยเฉยปล่อยเท่าไรก็ปล่อยเตยด้วยการบังคับเฉยไม่เป็นไปไม่ได้นอกจากเอาความจริงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายครั้งหลายหงส์ค่อยๆหลายหงส์ค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาสุดท้ายก็ทะลุ ป, ปุ่งผงมาได้รูปปังนี้จังรูปปังอนัตตาไม่ต้องบอกที่นี่ ชัดเจนแล้วโดยภานังจิตใจพอดถอนแล้วซึ่งอุปทานในรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอดถอนไปโดยลําดับลําดาเพราะการพิณิพิจนาเห็นแจ้งตามความจริงของมันตามโดยลําดับลําดาจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ภางในาจิตใจแล้วใครจะไปทนถือดินถือน้ําถือลมถือไฟนี้ว่าเป็นเราใครจะไปทนถืออบ า, าชาพาผีดิบเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา เรามันวิเศษอะไรของเรามันวิเศษอะไรอันนี้นะ่ะที่ว่าเป็นเราอันนี้มันวิเศษอะไรเราหาของวิเศษยิ่งกว่ากองกระดูกอันนี้กองเนื้อกองหนังอันนี้ไม่ใช่เรามาหาของวิเศษอยู่กับอันนี้เท่านั้นอันนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกในสัตว์ทั้งหลายตายเกลื่อนกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นปา่ปนปชาช้าผีดิบอยู่อย่างนี้มันวิเศษที่ตรงไหนเมื่อวลาพิจารณาเข้าไปสิ่งที่วิเศษ เพราะความรู้แ่้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้มีอยู่นั่นอันนั้นเป็นเอกเทศอันหนึ่งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจิตใจมีความสว่า ง, งสปร่งใสมีความสงบตัวไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ <c oughs> แบกไม่หามเหมือนอย่างแต่ก่อนสุดท้ายก็ฉลัดปัดออกได้จิตเป็นเอกเทศขึ้นมาเป็นยังไงที่นี่เราธรรมชาตินี้กับเราที่เสกสรรเอาหมดทั้งตัวอนิจจังทุกขังาตาทั้งอสุภัสตังนั้นกับเราที่ ได้แยกตัวออกมานี้เป็นอย่างไรต่างกันไหมมันต่างกันไหมหรือเหมือนกันนี่มันก็ยิ่งรู้ชัดเจนเข้าไปโดยลำดับหนึนี่แหละเรื่องของการบุกเบิกธรรมะการบุกเบิกเพื่อความจริงทั้งหลายด้วยธรรมให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงสิ่งเหล่านี้ถูกกิเลสปิดบังไว้ทั้งนั้นจึงได้ต้องอธิบายในเรื่องเหล่านี้นี่แหละกิเลสปิดบังความจริงปิดบังอย่างนี้พร้อมเท่าไรมันก็บอกว่าของจริง เราโงก่กวมันเราจําต้องย อ, ยอมรับยอมรับยอมรับโดยหาที่ค้านมันไม่ได้เลยแต่เมื่อความรู้นี้เด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเหนือความหลงของความหลอกลวงของมันแล้วใครจะมาฝืนยึดมั่นถือมั่นได้ละ่ะนี่หละปัญญาเมื่อเหนือแล้วฝืนยึดมั่นถือมั่นดังแต่ที่เคยเป็นมาไม่ได้นั่นแหละถอนตัวออกด้วยตามความเป็นจริงที่นี่ไม่ได้ถอนออกมาด้วยความ บีบถูกบีบบังคับหรือว่าบาังคับให้ถอนแต่ถอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและฉลาดเช่นเดียวกับเราจับงูทั้งตัวนั่นเราไม่ทราบว่าเป็นงูแต่พอทราบแล้วท่านั้นก็สมัดเองทันทีใค ร, รก็ไดกล้าหาญจับงูทั้งตัวอยู่ได้เมื่อทราบแล้วนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอสระพษความยึดมั่นถือมั่นเป็นพืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตัวเรามากมาขนาดไห น, นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุกให้เบิก ให้เห็นหลักความจริงอันนี้ด้วยอัดด้วยทำใจที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็รู้ก็เห็นขึ้นมาภายใ น, ในใจิตใจนี่แหละท่านรู้ทำเห็นธทำท่านรู้อย่างนี้เนี่ยที่ขีดขีดเลียดมันปิดไปตรงไหนเปิดออกเปิดออกเปิดออกคือสิ่งจอมปลอมนั่นแหละมันมันหลอกเราไม่ใช่ของจริงหลอกของจริงท่านไม่หลอกทีนี้เมื่อพิจารณาชัดเจนเข้าไปสิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้ขึ้นมาดังที่ว่าเนี่ความมะอานิจังก็ซึ้ง ทุกขังก็ซึ้งถึงใจจริงๆอนัตตก็ซึ้งถึงใจจริงๆแล้วอะไรที่จะไปถึงใจยิ่งกว่าทำถึงใจล่ะขีิเล็กมันถึงใจถึงมานานแล้วมันให้ความพิเศษพิโสอะไรบ้างกับเราผู้ที่ขี้เล็กถึงใจแต่เมื่อทำถึงใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้คําว่าอัศจรรย์คำว่าประเสริฐเลิศเลยแต่ท่านไม่มีความอยากไม่อยากโอ้อวดเป็นขนาดไหนท่านก็รู้ตามเป็นจริง ในความจริงทั้งหลายนั้นแล้วอยู่อยู่อยู่ด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสงบด้วยความเสกสรรไมห่หิวไม่โหอยท <softer> ่านจึงเล่นนาธรรมชาติที่ประเสริฐนี้ออกมาสอนโลกตามความเป็นจริงไม่ได้สอนด้วยความกระวนกระวายไม่ได้สอนด้วยความอยากความเพลียสยานไม่ได้สอนด้วยความตื่นเต้นนะทำทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนโลกโลกเขาตื่นกันนั่นนั่นแหะท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแต่นี้กระจายออกไปถึง เรื่องนรกสวรรค์ปิดได้ยังไงธรรมชาติอันนี้เมื่อของจอมปลอมมันเปิดออกแล้วด้วยอดด้วยธรรมเปิดของจอมปลอมออกมาแล้วสิ่งที่มีอยู่ยังไงเห็นเป็นอยู่ยังไงจะทราบกันตลอดทั่วถึงไปหมดนี่เราจะว่าวแต่สิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่กิเลสอยู่ภายใน จ, จิตใจซึ่งมันเคยปิดเคยบงังพอใจไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ถูกเปิดออกเหมือนกันเมื่อเปิดทั้งหมดแล้วอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจ อะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจอะไรจะรู้หาขอบเขตเหตุผลของโลกของอะไรที่มาคาดมาคิดนี่ไปเทียบเทียงได้เหมือนกับใจที่รู้โดยหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะทําบุกเบิกให้เห็นตามความจริงนี้เราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่ า, ทานประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนี้ถ้าไม่แค่ประเสริฐด้วยความเสกสรรตั้นยอเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเห็นในตัวเองผู้ใดเห็นแล้วผู้นั้นก็ ก็รู้เองรู้เองไม่ต้องมาเสกสรรปัญญ้นหยอหากรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองรู้อยู่ในความพอดิบพอดีไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่ผาดไม่ผลอนมีหลักธรรมชาติแห่งความจริงเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นและสอนโลกก็สอนด้วยความเมตตาสุดท้ายจิตจิตทั้งดวงนั้นเป็นความเมตตาล้านล้นอ่ อ, อนนิ่มไปหมดไม่มีอะไรเกินจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีความอ่อนโยนต่อสัตว์โลกทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสั่นโลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามีสินจ้างรังบันเข้าไปเกี่ยวข้องแม้นิดหนึ่งเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกศาสดาสอนโลกท่านสอนอย่างนี้สงเคราะห์โลกท่านสงเคราะห์อย่างนี้ท่างมีสิ่งอะไรตอบแทนเหมือนโลกทั้งหลายที่ปฏิบัติต่อกันนั้นเลยจึงเรียกว่าศาสนาจึงเรียกว่าธรรมจึงเลิศกว่าโลกทั้งหลายเลิศอย่างนี้โลกทั้งหลายทำไม่ได้อันนี้ทําได้เป็นได้ใน จิตใจของท่านผู้สิ้นชีพแล้ว <c oughs> นี่เราพูดถึงเรื่องกายวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่จิตวิเวกจิตวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่ความแยบคายขยายสติปัญญาให้กว้างของออกไปบุกเบิก ส, สติปัญญาบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ่มหอทั้งหลายออกไปโดยลำดับดาจิตใจสามารถที่จะรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลว่าสูงว่าต่ำว่ากว้างว่าแคบว่าหยาบว่าละเอียดอันวิสัยของใจเลยนั้นเสียทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเลยแล้วไม่ต้องคาดต้องคิดหากเป็นอยู่ในใจดวงนั้นนี่จึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นขอบเส บังคับจิตใจนี้ไม่รู้เห็นได้เลยมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้ใจจึงมีปัญหาอันใหญ่ลุ่มหลงลงม ง, งายที่สุดก็คือใจในเมื่อสิ่งปิดบงังเหมือนอย่างตาเราเนี่ยจะตาดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหลับปั๊บเข้าไปเช่นเท่านั้นมันก็ไม่เห็นเห็นอะไรก็ถูกปิดไว้นี่ใจจะสว่างกระจ่างแจ้งอยู่พายในตัวขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสปิดเข้าไปเท่านั้นมันก็อยู่ไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่มากนอก้อยเพียงไรก็ไม่เห็นนี่แหละเป็นอย่างนั้น ที่นี่เวลาบุกเบิกออกไปบุกเบิกไปดังที่กล่าวนี้ด้วยการดูสะดวกสบายสถานที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญแล้วทำท่านหลายยอ่อมเกิดขึ้นได้เพราะการบําเพ็ญด้วยความสะดวกนั้นโดยสม่ําเสมอจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหมดนั่นท่านว่าที่กล่าวมาเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ ที่อยู่ในสถานที่เหมาะสมดังพระพุทธเจ้าทรงพาดําเนินมาซึ่งส่วนมากท่านทรงอยู่ทรงดําเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกมีมากน้อยท่านมีความมุ่งมั่นต่ออดต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่สุดจนกระทั่งได้บรรลุธรรม เต็มตามความมุ่งหมายแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่สะดวกสบายเหมาะสมกับธรรมกับภัยาศัยของท่านที่สิ่งชิเลสแล้วอยู่ไปตลอดวันนิพพานท่านมาเกินกล่นวุ่นวายกับโลกกับจงศารเพราะฉะนั้นการอยู่ท่านจึงสอนให้อย่างละเอียดละออทีเดียวโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในป่าในเขานี่สอนเป็นลําดับลําดา อันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือเพื่อสังหารกิเลสภาในจิตใจให้สิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติในสถานที่เหมาะสมดังที่กล่าวมาการยีเรกจริงเป็นของสำคัญเราเองก็เถอะถ้าลงได้เข้าไปสู่กายีเรกในสถานที่เหมาะสมดังที่ว่านี้แล้วจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกท่านทัน ท, นทีทันใดเลย เพราะเป็นเครื่องปุกปาะสาทจิตใจของเราที่เคยหมอบเคยนอนจมอยู่ในทิเลสความนอนใจนั้นนั้นก็ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมารู้สึกความคิดอ่านแต่ตองนิสติสตังก็มีขึ้นมาในเยานั้นในอิริยาบถนั้นๆเพราะสถานที่เปียวเปียวเป็นสําคัญนี่ผู้ปฏิบัติได้อยู่ในในปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ จะพูดได้เต็มปากทีเดียวไม่กระดักอายเลยเพราะเป็นผลอย่างยิ่งประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติมอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาแล้วด้วยกันแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นในธรรมทั้งหลายด้วยสถานที่เช่นั้นมาแล้วจึงได้นำมาประกาศทำสอนโลกเพื่อเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้ได้ก้าวไปด้วยความราบรื่นดีงามเพราะสถานที่ เช่นนั้นเป็นที่อำหน่วยเพียงเราก้าวเข้าไปสู่ป่าสู่เขาลำเนาพายเท่านั้นจิตใจจะรู้สึกคึกคักขึ้นมาแล้วแล้วยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินความเพลิดเพลินในป่าในเขาของผู้อมเพนธรรมนั้นต่างกันกับความเพลิดเพลินของกิเลสเป็นไหนๆ ไ, ไม่ได้เหมือนกันเลยเบาก็เบาเบากายเบาใจเบ า, าทุกสิ่งทุกอย่าง มีแต่ความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหวังต่อต่อทำอย่างแรงกล้าฝังอยู่ที่หัวใจก็ยิ่งเป็นกําลังของใจให้ประกอบความภากเปลี่ยนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสืบต่อกันโดยลําดับลาดามไม่มีความประมาทเลยเพียงเพียงตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นก็ประกอบงานแล้วเป็นไปในตัวเองการนอนก็น้อยการขบการฉันก็เหมือนกันไม่ได้ถือสิ่งอันนี้เป็นอารมณ์ พอที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญเลยนียคว่ า, วากินน้อยนอนน้อยหากเป็นในหลักธรรมชาติของผู้บาเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมไปเองและจิตใจมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขและสุดท้ายความรู้ทั้งหลายที่มันครอบโลกธาตุสร้างความมุ่นวายให้เราเพราะความรู้ของเราเองไปเกี่ยวเกี่ยวเกาะในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขานั้น ก็รวมตัวเข้ามาสู่ใจดวงเดียวรู้อยู่ภายในจิตใจอันเดียวนี้เท่านั้นนะประหนึ่งว่าโลกทั้งหลายไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาเคยนำเรื่องเหล่านั้นมายุ่งกวนตัวเองก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นมีแต่ความรู้เด่นถ้าเป็นสมาธิก็เด่นอยู่ในหัวอกเอาฟุตเต็มเต็มหัวใจนี่เถอะอืมเพราะความรู้ในสมาธิความรู้เนี่ยทำจริงๆ ความสงบใจจริงๆไม่ได้อยู่บนสมองดังที่โลกเขาทากันการจดการจาคิดอ่านแต่ตอนของโลกต้องใช้สมองเป็นที่ทำงานแต่เรื่องของธรรมนั้นอยู่ที่กงกลางอกนี้เป็นที่ทำงานเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนความวุ่นวายนั้นอะ่ะมันไม่ได้สร้างความเด่นความจุดที่หมายที่ถูกต้องดีงามให้เราได้ยึดได้เกาะอะไรเลยล่ะแต่ความสงบนั่นส พอจิตสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วจะปรากฏที่โกงกลางอกของเราเนี่ยนยิ่งจิตมีเป็นสมาธิมีความเน้นหนามั่นคงแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจภายในท่ำกลางอันนี้ไม่ขึ้นบนสมองเนีแลยสงบระเอียดขนาดไหนก็ตามเอาพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันหมุนติ้วอยู่ภายในท่ำกลางอกนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลย หมุนกันอยู่ตรงนี้หมูอยู่ตรงนี้สว่างกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลากำหนดบนสมองอยันนี้ก็เหมือนเราขึ้นนะถ้าเราจะถ้าพูดว่าเนยก็เหมือนขึ้นเหมือนลงลงไปข้างล่างก็กำหนดลงไปกำหนดข้าบนก็กำหนดเพราะจิตอยู่ในท่ากลาง่ง<น>มันจึงได้กำหนดขึ้นกำหนดลง น, นี่เป็นหลักธรรมชาติของใจที่สงบและเป็นสถานที่อยู่ของความรู้จริงๆความรู้ที่เคยกระจายไปทษ ด, ดินแดนโลกธาตุ และสร้างความวุ่นวายความทุกข์ให้จากตัวเองนั้นรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่อย่างเด่นชัดภายในใจมีนานสาบายอยู่ไหนอยู่เย็นไปหมดนั่งอยู่หินก้อนไหนก็มีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเดินไปในอยู่ในต้นไม้ต้นไหนก็มีแต่อัตธรรมกลางคืนกลางวันนั่งอยู่ตรงไหนผาสุกเย็นไปหมดนั่นคือจิตรวมเข้ามาสู่ตัวเองก็เห็นความ สำคัญของตัวเองขึ้นเห็นสาระสําคัญขึ้นที่พาขึ้นที่พายในใจของเราเนี่ยริงทั้งหลายเหล่านั้นก็ปล่อยเข้ามาเปิดเข้ามาไม่กังวนเพียงแต่อาศัยเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เท่านั้นน่ะนี่เป็นหลักความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นอย่างนั้นเยินสบายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คิดไม่ยุ่งกับอะไร และสิ่งที่จะมาก่อกวนยุย่ยแย่ก่อกวนก็ไม่มีมีตมรรกธรรมชาติถ้าเป็นสัตว์หรือก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะมาสร้างความของบนวุ่นวายสร้างกิเลสปัญหาให้ใจของเรา ด, ดีไม่ดีก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันกลายเป็นธรรมะหนึ่งขึ้นมาในเวลาได้พบได้เห็นได้ยินเสียงของเขาเพราะสัตว์ตานี้มีมากเราพูดแต่ครั้งก่อ น, อ, นอย่าง ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันสมัยที่ครูบาอาจารย์และเราเองบำเพ็ญเราก็ได้ประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นภายในจิตใจอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนี้รู้สึกว่ามันรื่นเริงบันเทิงเสียงร้องโกกโก้แก่ๆยิ่งนกยุงด้วยแล้วเต็มไปหมดไม่ว่าเขาลูกไหนเวลาเราอยู่เงียบๆงั้นเหมือนไม่มีพอตกกลางคืนมานกยูงมันร้องนี่เหมือนกับไก่มันขันยามมันแหละ พอตัวหนึ่งขันขึ้นมาตัวหนึ่งก็ขันก็ขันกันหมดทั้งฝูงเลยนี่นกยูงก็เหมือนกันแง่วอกแงวขึ้นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวตัวหนึ่งขึ้นจุดหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นจุดหนึ่งก็เป็นเสียงลั่นขึ้นมาทุกภูเขามีแถวแถวรอบรอบนั้นจึ้งเคยทราบว่าโอ้โหนกเหล่านี้มีไม่น้อยมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกภูเขาแถวนั้นเน่มีก็เป็นเครื่องดื่นเริงอัน กางคืนเดินยงกรมอยู่เหมือนกันมีสัตว์มันเดินกุ๊กกุ๊กจิกิกมาพวกหมูพวกเก้งอมาก็เป็นเครื่องลื่นเลึงอันหนึ่งลื่นเลองอันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนให้เกิดกิเลสเหมือนเสียงกงอข้ามอืเสียงที่สุดก็คือมนุษย์ดาเนี่ยมันไทยมันก็เต็มอยู่ที่นี่แต่เราไม่ตําหนิเขาว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขามาเป็นข้าสุดเราแต่มันเป็นความสําคัญของใจเราเองไปเกี่ยวก้กอยเกาะ แล้เอาฟืนเอไฟเข้ามาถเผ า, าตนเองเมื่อจะเปลืองแล้วก็ต้องตำหนิกันเพื่อจะเปลืองเพราะนนั้จริงไม่มีเสียงอันใดที่เป็นไพยยิ่งกว่าเสียงมนุษย์เรื่องอะไรที่จะเป็นภัยกว่าเรื่องมนุษย์ไม่มีเรื่องมนุษย์นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดเพราะฉะนั้นจริงต้องไดปลีกออกจากมนุษย์โดยหลักธรรมชาติออกไปสู่ความเป็นมนุษย์ในของคนผู้ผู้เดียวท่านว่าเอกโกเป็นผู้ผู้เดียวอยู่ในสถานที่บําเพ็ญเราจะเห็นแต่เราคนเดียว พิจารณาแต่เราคนเดียวเอาถ้าจะเป็นภัยแบบไหนก็เห็นแต่เราคนเดียวนี่มันไม่เป็นเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่เป็นถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนแม้แต่นักบวชด้วยกันมันยังมีการทะเลาะบอกแร้งความรู้ความเห็นขัดกันไม่ดืองรอยกันนี่เป็นภัยอะไรเป็นภัยจากใครถ้าไม่เป็นภัยจากมนุษย์พระมาจากไหนไม่มาจากมนุษย์ทะเลาะบอกแย้งกันก็มีเกิดอธิกรมจิกรกั น, กนยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ก็เป็นเรื่องของพระนั่นเรื่องของพระก็คือเรื่องของคนเนี่ยเรายกตัวอย่างให้เห็นดังนี้ ไปอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นไม่มีใช้ความพินจพิจารณาให้ละเอียดละโอ่โดยถือหลักธรรมเป็นบรรทัดเป็นทางก้าวเดินหลักธรรมหลักที่ไหนก้าวไปตามนั้นก้าวไปตามนั้นแล้วก็มีครูอาจารย์คอยแนะนําทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาแล้วก็ก้าวเดินไปยิ่งมีความลื่นเดื อ, อบันเทิงจิตใจมันผองใสนี่ไม่ต้องพูดแหละถ้าลงได้มีจิตมีเป็นสมาธิแล้วพองใสจนอัศจรรย์ บางทีเป็นนะมันเป็นขึ้นในใจนั่นแหละโอ้โหใจนี่ไม่นึกไม่คาดไม่ฝันมันจะอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เที่ยวเหรือนะดูสิในกายของเราทั้งกายนี่น่ะต่กอนมันก็เหมือนกับมันหนามันแน่นมันมืดมันตื้อไปหมดในร่างกายนี่จิตของเราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เวลาจิตใจมันมีความสว่างเต็มตัวของมันแล้วมันสว่างจ้ามาได้หมดเลยร่างกายนี่เป็นเหมือนกับอะไรพอเป็นเงาเงา เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงนั่นแหละน แ, แสงไฟที่อยู่ในะตะเกียงนั้น่ะมันสว่างจ้าออกมาทะลุแก้วครอบออกมาได้หมดนี่ก็เหมือนกันใจเมื่อถึงขั้นสว่างแล้วทะลุออกมาได้หมดเลยร่างกายของเรานี้เป็นเพียงเงาๆ เ, เท่านั้นมองดูภูเขาทั้งลูกก็เป็นพอเงาๆแทนดินทั้งแผ่นมันก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่มันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วมันทะลุไปได้หมดนั่นที่จริงว่าเพียงตัวเท่าหนูนี่มันก็ มันก็เห็นได้พูดได้ยี้จะไม่ให้นํามาพูดได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้ติตะก ร, กรมันไม่เคยเป็นนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปมันเห็นเข้าไปเป็นเข้าไปอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไทงทําเป็นของจริงทําไมพูดไม่ได้เห็นก็ er ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้เวลามันมืดตื้อก็บอกว่ามืดตืออต้อในจิตดวงเดียวกันนี่ะหนาดูสิเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจริงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติดูมันจะเป็นยังไงทำผู้ที่เจ้าน่ะเคยหลอกโลกมาล้วหรรือออ่่คกโโาีีตขงงจินนนสั ให้พ้นจากทุกมา ม, ม, า, มากขนาดไหนนกขี่กับขี่กันแล้วแล้วทำไมมันจึงไม่ถึงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติซึ่งควรจะรู้จะเห็นด้วยความตั้งใจตัวโดวยแทย้มันอยากให้รู้เห็นนี่นะให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าลืมแนวทางพระโอวาทคำบางสองเบอร์เจ้านั่นแ่ะให้ให้เล่งให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นนิสัยของกิเลส มันจะออกก่อนออกก่อนออกก่อนออกหน้าแสงหน้าแสงหลังก่อนนั้นมาเป็นเครื่องดําเนินมันจะเหลวไหลไปทั้งภัยแล้วน่นะยังไงก็ตามให้เร่งเหตุเล่งผลเร่งอัดิน่งทมเพื่อการดําเนินทุกตนอยู่โดยสม่ําเสมอทุกเอียบทเนี่ยเป็นความถูกต้องมีนามนัล ะ, ละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขออิจิตเปนธรพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านทดําเนินนท่านสมบุกสาบันมากจริงๆนะแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ย มันเป็นเป็เรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นสาระในวงปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มหัวใจเลยนะะไปที่ไหนที่ไหนเป็นประฐานที่พ่อแม่กูยันมั่นไปผมมักจะไปไปเที่ยวสอบเที่ยวดูไปทั้งจนทั่วถึงไปหมดเละทางด้านทางนามีนายงทางไหนตรไหนักร้อท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างไปพยายามไปสอบเป็นอย่างถ้ำผาบิ่นไปแต่ละเปลี่ยนสภาพไป้งมากมายเป็นคนลโลกไปแล้ว แล้วก็เล็งดูถ้ำผาบิ่งนี้ออกไปหาถนนท่านตะก่อนถนนไม่มีแถว น, นั้นไม่มีหมู่บ้านคนเลยก็ถ้ามีก็คงวังตะพุงท่านมั้งวังตะพุงมันก็เหมือนหมู่บ้านมันไม่ได้เหมือนอำเภอแหละถนนบนทางไม่มีแล้วท่านจากนั้นเข้าไปหาถ้ำผาบิ่งนี้ทลายหกเจ็ดกิโลมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นท่านอยู่ที่ไหนถ้ำผาบิ่ง ท่านอาจารย์สิงห์น้องปู่สิงห์นี่ก็ไปได้กําลังใจที่นั่นนะภาที่ทราบมายี่ท่านรวมใหญ่ตรงนั้นนะ ท, ทําผำาบินแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วสถานที่ที่ก็เปลี่ยนสภาพทางเดินเข้าไปรอบๆ บ, บริเวณตั้งจัตุรัสหลวงนี่เข้าไปแล้วมันเป็นสวนเป็นไรเขาไปหมด ล่วงไปหมดพูน ง, ง่ายบางนั้นเลยนั่นไม่มีดึกเถาของเก่าของแก่ยังเหลืออยู่บ้างเลยในถ้าผาบิ้งกับเมียโดเฉพาะถ้่พนันเองดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดพรลากับสองหลังสามหลังอันนี้ละการก่อสร้างนี่มันน่าคิดอยู่มากนะนันกองค์กรรมฐานเราถ้ า, าว่า ผู้ที่ไปทําการก่อสร้างไม่ได้รู้เรื่องลู่ลาของครูบาอาจารย์และตำหรับตําราที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นอีกอย่างนะ น, นี้ก็รู้ลู่อยู่เห็นเห็นกันอยู่แต่ก็ทํากันอ ย, อย่างนั้นเหมือนกับว่าทําแข่งเพราะว่าไม่เจ้านิ่งอยู่แต่ที่ตรงไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างรู้ลาผู้ฝ้าอันเป็นเรื่องของโลกไปเหยียบย่ําทำลายสถานที่ที่เป็นหลักธรรมชาติอันเป็น ทำเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอนั้นให้ชิดหายใบพวงไปหมดไม่มีเหลือเลยนี่มันน่าคิดเราไปสู่สถานที่ธรรมชาติกลับไปอยู่ที่ตกแต่งให้สวย ง, งามมันต่างกันไงถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเป็นคนโลกเลยนะเรื่องของโลกเขาก็ชอบอย่างนั้นอยู่แล้วนี่นี่เราพูดถึงเรื่องธรรมพ่าแม่ครูอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนท่านสร้างอะไรนี่แบบฉบับอันหนึ่ง แล้วแบแบฉบับนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้แล้วเนะยทางให้พระเวลาพระไปไปเที่ยวภาวนาสถานที่ใดก็ตามท่านบอกท่านสอนไว้นะอย่าไปสถานที่มีการก่อสร้างนนั่อย่าไปสถานที่ชุมนุมชนไปสถานที่จอแจให้ไปหาสถานที่ที่เงียบสงบแม้ต้นไม้ ที่เป็นดอกเป็นผลนกกินกันวุ่นวายอยูน่นี่เสียงอุกติขึ้โ ค, คมก็อย่าไปอยู่ในฐานที่เชนั้นถ้าน้ำขึ้นลงของผู้คนสัญจรไปมาและลงเล่นกันก็อย่าไปอ น, นี้ท่านสอนไม่หมดละเอียดลออมากนะนั่นเห็นไหมเป็นไงปฏิบัติธาที่พระเจ้าทรงสอนชดทงแหนเป็นยังไงกับการดำเนินของพวกเรามันขัดกันอยู่ตลอดเวลาใช่หล่ะ นี่นถ้าเราดําเนินตามนี้ทําไมมันจะไม่เห็นอัตเห็นธรรมาะเป็นเครื่องบุกเบิกธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องตอี ต, ต้อนกิเลสไม่ให้เข้ามายุ่งทั้งนั้นที่วิเวสงัดเนี่ยมันก็เป็นท่าสึกกันกับที่จุนจ้านวุ่นวายเน่ยท่านไม่ให้ไปที่จุนจ้านวุ่นวายที่ก่อสร้างมากก็วุ่นวายท่านก็ไม่ให้ไปเนี่ยฟังสิให้ไปหาสถานที่เหมาะที่สงัดวิเวเพื่อบําเพ็ญได้สะดวกสบายนั่นฟังสิท่านสอนว่ายอย่างละเอียดลออมาก ในพ่อแม่ผู้จาร์มั่นเ่านี้เป็นยังไงท่านเดินตามนี้อย่างราบรื่นสม่ำเสมอหาที่ต้องตีไม่ได้เลยนะเท่าที่ผมไปอยู่กับท่านก็กเป็นเวลาแปดปีจนกระท่งท่า น, านมรณภาพจากไปมีแต่ที่ถึงใจถึงใจถึงใ จ, งใจนะปฏิบัติธรรมดำเนินที่เห็นอยู่ด้วยตาของเรานี่มันก็มีอยู่ตามแบบด้แบบในฉบับอยู่แล้วมีในตำลักตำนาแล้วห้าที่ไหนท่านดําเนินอย่างนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นนี่มันเห็นอยู่เลย เารื่จิตเรื่องธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ต้องพูดแหละโอ้โหเวลาท่านเปิดโลกกัธาตุนี่อยู่เพียงสองสามองค์เท่านั้นนะเวลาอยู่มากๆนี่ท่านก็เทศในวงสัจธรรมกว้างขวา ง, วางไปเสียไปกลางๆนั่นเสียเวลาไปคุยกับท่านเป็นเวลาเฉพาะเฉพาะนั่นที่เพียงสององค์สามองค์นั่นเราจะได้ฟังธรรมอศัศจรรย์ของท่านรู้แปลกๆต่างๆรู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยมีไม่เห็นปรากฏในตำราเลย ก็ท่านพูดท่านก็ไม่เอาตำรามมาพูดท่านเอาความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นมาพูดนี่มันจะไปเข้าตำรามนั่นแนะ่ะที่ท่า น, ท, านที่เราได้ฟังเต็มหัวเต็มหัวใจเวลามีไม่กี่องค์นั่นแหละไปอยู่ที่ไหนโอ้หน่า ส, สรดท้องเวี น, นะถ้าเราพิจารณาตาม เรื่องของโลกโลกนี้น่าสะลดสองเมียทาไมท่านมาอยู่ได้เหมือนกับว่าผ้าคีริ้วเหมือนกับเป็นคนกําพาอนาถาไม่มีใครปรารถนาแล้วในโลกนี้คนคนนั้นพระองค์นั้นหวังนั้นเลยนะ่ะที่ที่่านเคยไปอยู่ที่ไหนมีแต่อย่างนั้นส่วนมากนะวินทาบาดก็เพียงมาได้มาฉันมันม น, นั่นนั่นบางทีไปอยู่ ไม่ได้ฉันกลับเลยเป็นเดือนก็มีทันมาเวลาท่านพูดสัมผัสท่านก็นเล่าให้ฟังนะถ้าอยู่เป็นเดือนก็มีไม่ไดไ้ไม่ได้ฉันกลับเลยที่ว่าที่ว่าท่านฉันไม่ได้ฉันกลับคือเขาว่ายาคูทรระหว่างภาษาัางท่านนี้เขาว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาไม่มีถั่วไม่งาเขาไม่อามาให้ฉัน ใครจะไปลูกอะไรแต่ก่อนมันไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเงิเ น, นมีความหมายอะไรแต่ก่อนอม่มีความหมายมเงินไม่มีใครเสาะแสงหากันอันเหมือนก็ไม่มีเงินเนี่ยทั้งๆที่งเงินก็มีแล้วไม่มีการซื้อการขายกันทําอะไรกัลงไปนี่ก็ไม่มีใครมาซื้อพอที่จะให้เกิดความขายันหมั่นเพียรแล้วใครจะมีแใจใจทํำละ่ะนาก็ทําพอได้กินกันปีหนึ่งถึงถึงปีถึงปีซะนั่นเองมากกว่านั้นมันก็ ที่งไว้เฉยไม่มีใครซื้อกันนะเพราะงั้นคนจึงไม่ค้นขวายแล้วพวกเปือกโป่งมันอะไรนะเขาก็ปลูกไว้ตามบ้านตามเดือนไปนั่นนะที็เขาก็ใส่เปือกใส่มันบ้างหันว่างั้นนะไอ้ถั่วงาไม่เห็น <laughs> ไอ้พวกเนื้อพวกปลาพวกอาหารชนิดอื่นเนี่ยไม่เลยเหลหรอท่นานวะเพราะเขาเข้าใจกันดังนั้นว่าพระทํากรรมฐานนี่ท่านฉันจะถั่วต่งาท่านแ ม, ม่ฉันเนื้อฉันปลา ได้มาแล้วก็ฉันอย่างนั้นเลยต้องพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่มันก็เข้ากันได้นะแต่ภาวนามันดีนี่นะทันว่าเนี่ยฟังสิฉันจะเข้าเปล่าใครจะไปฉันมากขนาดไหนว่าพูดแล้วเราเราเราสังเวชนะมันนเป็นอยู่ลึกๆอย่างน้าเวลาท่านพูดท่านก็พูดธรรมดาธรรมดาไปเลยเวลาพูดไปสัมผัสแล้วท่านก็นำออกมาพูดมาพูดสานที่เป็นนั้นเป็นั่นเลยทันว่านะยินต์สมบัติมาแล้วก่อ มาฉันมีแต่ข้าวเปล่าข้าวเปล่าเราจะไปฉันไปมากอะไรฉันเข่าเปล่าทันมาแล้วเดินจนกลมุโยตัวปิวไปแล้วนั่งเขาหน้าโอ๊ยดีทั้งนั้นทันว่ามันดีทั้งนี่ทันว่างั้นแล้วประการหนึ่งก็เราก็ไปหายเงี้ยเนี่ยก็เขาก็ได้อีหละไม่จะไปกังวลอะไรเพราะใจไม่กังวลนี่ทันว่างั้นไม่เคยกังวลเลยว่าเดีฉันอันนั้นฉันก็ว่านี่ไม่เคยมีเทันว่างั้นนะเพราะยังชี้วิธีเปลี่ยนไปวันหนึ่งวันหนึ่งทันนั้นทันว่าง ท่านท่านลำบากมากนะตอนท่านบำเพ็ญเฉพาะท่านตอนตอนกลับม า, มามามามาอยู่ทั้งนี้หมู่เพื่อนมากนี่ไม่ค่อยสะดวกเท่านั้นเพื่อนสี่สิบห้าสิบเน่ท่านอาจารย์เตินบ้านสามผงท่านอาจารย์ศิลาบ้านวาใหญ่เนี่ยอำเภออากาน้อยนี้ท่านเหล่านี้เป็นอุปชาแล้วนะ นี่เกิดความเที่ยวความมุ่ายในพ่อแม่ขรูอาจารย์มั่นเหล่านี้เลยสละหมดยติมดทั้งลูกทั้งลูกวัดเลยนะท่านอาจารย์เก่งท่านอานจารย์มีแต่เป็นอุปชาเลยทั้งนั้นนะอยา่าไปลูกศิษย์หลงปู่มั่นเนาะนี่ละไปกับท่านท่านกลับ ม, มาตอนหลังนี่นะตอนสิ่งเพื่อนหลวงมาตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่โดยลําพังท่านั้นสิมันหนักมากนะ ท่านเล่าให้ฟังมาตามบาลีเจภูมินี่มาองค์เดียวท่านขโมยหนีมานี่มาเพราะหมู่เพื่อนลุมตามทำร้ายนั่นขโมยมาตรงนั้นตรงนี้นี่ท่านเล่าให้ฟังหมดเลแต่ผมจำไม่ก็ได้ตอนที่ท่านไปซอกแทกองค์เดียวท่านนะมาแถววัีเจภูมินี่มาแล้วพังโคนปลาโหลอะไรนั้นเรื่องอย่างนี้นันท่านอะไรไทยตามท่านว่าท่านสุวันตามทันธรรมอาจารย์ชวันท่านก็เล่าให้ฟัง ยิ่งพูดถึงเรื่องความความลําบากในการบําเพ็ญนี้ผู้ที่บุกเบิกต้นทางให้พวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่กุญแจมั่นอ่ะนะที่ลําบากที่สุดเลยเป็นเรื่องเสือเรื่องอะไรนี้นานๆท่านจะเล่าทีนึ่งนะเล่าก็เล่าเฉยๆนะดูดูเล่าไปเฉยๆเหมือนกับว่าเสือกับท่านไม่มีอะไรกันพูดง่ายๆว่างั้นลักษณะเสือกับท่านไม่มีอะไรกัน แล้งทั้งๆที่เปอยู่ป่าเสือจนถึงขนาดที่ว่าเราบินสมบาตก็ป่าเสือนี่ที่บ้านนามิเอยู่ไม่รุ่เขาเอาไม้เอาไม้ปอกไม้เปิด์นแหะมาผ่าผ่านี่แล้วก็ให้ท่านถือไปคือกลัวหมีเ <laughs> สือมันมีสติมันไม่มันไม่ค่อยทำไม่เสือมันมีสติดีมันไม่ค่อยเจอมันง่ายๆเดินด่้มไปขนาดไหนก็ไม่เจอกับเสือ แต่หมีนั้นมันมาสเปะสปะเวลาพวกชาวบ้านเขากลัวว่าเราไปเจอหมีหมีไม่หนีนะถ้าชั่วระยะนี่ถังน้ํานี่มันโผล่เข้ามาเลยอือทั้งตบทั้งกัดเลยถ้าเสือเราไหม้ละมันยิงอยู่ในป่าแล้วเจอขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ะถ้าในป่านะไม่จนกอกนะเทีนี้ดวดผึงเดียวไปเลยถ้ามันจนกรอกเช่นอยู่ตามโคกตามที่โลง่ลงๆนะมันหาที่ไปไม่ได้มันต้องมาทําคนให้เสียท่าก่อน มันเพงจะไปเสื อ, อ น, นี่เป็นครับเสือลำบากเป็นแต่มีไม่ได้นะในพรานเขาเขาพูดอย่างเดียวกันนี่พูดถึงนั่นเป็นตำบาศเขาทําเอามาให้แล้วก็ทําไปงั้นแหละทางกระว่างนั่นนะแล้วเดินไปให้ยเคาะไม้เป๊กพุ่งเป๊ก น, นี่ไปเพื่อหมีมันได้ยินนะมันจะหลีเกเดินว่างนั้นนะแล้วก็ไป นี่แหละธันญญาของอั น, นของหลองปู่พรมเนี่ยท่านเล่าให้ฟังแล้วพอดีอแม่ชีคนนี้ก็มาเล่าให้ฟัองอยูโกรงกันเต่งเลยนะที่ทางบ้านน้ำหยิน่ยยุงลึกๆมันไม่มีบ้านคนเสือโอ้โหมันเสือไม่ได้กลัวคนทั้หว่าแต่ผู้ชายมันมีกลัวบ้างเล็กน้อยว่างงั้นนะผู้หญิงไม่กลัวพอทําได้มันทํางอ่างนี้แล้วก็พวกนี้มีแม่ชีสามคนทั้งว่าไปหาท่านคือ แม่ขีอลืมละพัญญาของหลวงปู่พรมเนี่ยพี่ต่างคนต่างออกผมบันเงินทองเข้าของประกาศทานหมดเลยแล้วก็ต่างคนต่างออกกันหลังให้กันออกเมียก็ออกไปบวชพวกออกไปบวชนั่นแหละแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นพ่อแม่เขาจะมั่นเรานี่ยแต่นุ่นสามคนแม่ขีไปท่านก็บอกจะทําไงไล่มันก็ไม่กลับพรานี่แหละท่านวางนั้น จะมาไงนี่มันตรงป่าตงเสือนี่ทําไงนี่วะมว่าเสือไม่กลัวผู้หญิงนะวะมันลําบากมัว่าไงมาอะไรกอ๋ออะไรอยู่สองํามันนี้ก่อนเถอะน้ํานไม่ได้พบผมแหมครูบาอาจารย์หรือว่าพระลุงท่านก็นเลยได้สั่งพวกญาติโยมให้ไปทําห้างทีสูงหน่ะให้ท่านท่านเล่านานนะึ่ะทําห้า ง, งสูงแล้วก็มีพระองค์ขึ้นไป ให้มันพ้นจากปากเสือคนง่ายๆนะให้อยู่สู ง, สงแล้วก็ท่านจังด้วยว่าเวลาค่ำเวลากัางค่ำคืน อ, อย่าลงมาหนะเพราะท่านรู้ก่อนอยู่แล้วนี่เสือแถวนั้นมันชุมขนาดไหนเสือมากแล้วไม่กลัวคนผู้ชายกลัวบ้างว่างั้นนะเพราะไม่ไม่ค่อยมีใครทำลายมันนอกจากว่าอาหารไม่อดแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะเพราะทำมันทำหวางเนี่ย นี่นะแต่อยู่นั่นท่านก็ห้ามไม่เขาลงมาจะจะไม่ได้อยู่กับท่านนะอยู่ระหว่างครึ่งทางข้างข้างทางไปนั่นถ้าเป็นทำเลพอสมควรแล้วก็เขาอยู่ที่นั่นทําห้างให้อยู่ที่สูงท่านก็อยู่บนเขานึ่งเวลาไปก็ให้ญาติโยมพาไปไปให้อวาตแล้สองชวันก็ไล่กลับไปมันเป็นกังบนทา่านว่ากนี่นะ่ะมาอยู่ล้าเป็นกางวลกังบนคือเหมือนกับว่าท่านเมตตาท่าน อาบักขาอยู่ภายในจิตใจเน่ะคงจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นจังหวนตายไปไ ป, ไ, ปไม่เอาไม่เอาท่านน่ะไม่อยู่ได้สามคืนท่านก็ร่าจิ๋นนี่นี่ท่านกันเล่าแล้วพวกแม่แม่ขีคนนี้ก็เล่าแม่ขีคนนี้ไปหาท่านที่บ้านนาซีนวลตอนนั้นผมพาอยู่กับท่านที่บ้านนาซีนวนวัดเก่าเขายาคูทงที่ท่านมาไปท่านอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแม่ขีคนนี้ไปมันมาไปเล่าผมฟังเหตุที่ผมจะได้ทราบเรื่อง เหมือนกันกับท่านเล่ากับไม่ฉีนั่นแหละมัน้นเบนทบายก็ไกลเนี่ยเอาล่ะไกลบ้านก่อนแต้เไปทุ้ยลึกนะไม่นจะเล่นเลยนะแล่ทุกวันนี้ถนน้นทางมันเข้าไปถึงหมดแล้วแหละบ้านคนก็มีมากขึ้นมากขึ้นแถวนั้นเป็นความลาบากมากไปอยู่ที่ไหนที่ท่านไปที่ไหนโอ้โหทุเรียนนะท่านไปวอาเพลนแล้วไม่มีใคร เป็นผู้ชักจูงทางเดินท่านแล้วก็ท่านเป็นผู้บุเบลเองเนี่ยน่จะหมายปัจจุบันจริงว่าลาบากทาัทง้ทงด้านภายในทั้งด้านภายนอกรกรรมฐ า, านเขาก็ไม่รู้กรรมฐ า, านต้อเป็นยังไงเป็นท่านสิทางแข่งก็วิ่งแต่คือคือเห็นเียนในประวัตินั้เป็นท่า น, น, อ น, น, อา น, นพอพอต่อมานั่นก็ ท่านมาจากถําสวิตกาแล้วท่านนีพระมีมากแต่ท่านก็บอกว่ากำลังยังไม่พอท่านรู้ท่างล่าง่ท่านเน่าหมดเลยกําลังไม่พอภายในกําลังไม่พอท่านถึงได้ปีนหนีจากหมู่เพื่อนผึ่งที่เดียวเข้าเชียงใหม่เลยประมาขาหลังท่านไม่ได้พูดเลยนะว่ากําลังไม่พอไม่เคยได้ยินนะนี่แต่เปี้ยงเปี้ยงเลยที่นี่นั่นท่านเลยไ ป, ปนในเชียงใหม่ ยังหม่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ก็ได้ความเลื่อมความมาเสดิ์อยู่นั่นหลายองค์นะเท่าที่ผมจําได้นะก็หล้งปู่มั่นเหล่าเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมนั่นสามเลยนะเท่าที่ผมทราบหลวงปู่แหวนสี่แล้วนั่นถ้าตอนนี้มีกระเทศน้ำหนึ่งทั้งนั้นหลวงปู่พมนี่ก็เคยได้คุยธรรมะ ก, กันแล้วผมถึงได้กระซิบบรรดาลูกศิษย์ที่มาจา อ, องค์เทวดาเวลาเผาศพท่านเนี่ยท่านอาจารย์องนี้นะ พยายามเอาอติท่านได้นะอัติของท่านนี้จะเป็นแต่เป็นประธานอย่างแน่นอนเราบอกเพราะเคยได้คุยธรรมะกนแล้แล้วก็เป็นจริงจิงนุม่มได้ปีเดียวมัึงก็กายเป็นประธานแล้วน่ะผิดที่เจอไหนเพราะความประกาศความบริสุทธิ์งท่านประกาศตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเรื่องกระดูกมันเป็นผลพลอยได้ต่างหากจะเป็นพระธาตุเป็นพระธานเป็นผลพลอยได้ส่วนจขอท่านที่บริสุทธิ์มุหมดหลุดพ้นไปแล้วนั้นมันถึงกันแล้วนี่คุยท่านเล่าให้ฟังว้าน่าฟังมากนะ แล้วก็หลวงปู่ขาวนี่ที่จะคุยธรรมะกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยหลวงปู่แหวนนี่สามองค์นี้เอากันอย่างถึงพริกถึงถิงเลยเจ้าหลวงปู่คําดีนี่องค์ที่จะหลวงปู่ธรรมะกันถึงถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผลว่างั้นเลยผมจึงไม่สงสัยท่านถ้าลงได้ลงใจแค่เท่านั้นนะะใครจะหาเรื่องเจอท่านว่าท่านเป็นสังขาปราชิตอะไรอะไรต่ำในท่านเหล่านี้นะ ผมมันเป็นนิดอย่างนั้นนะถ้าลงด้ถึงใจขนามแล้วไม่ฟังเลยนั่นฟังสิถ้าเชื่อว่าท่านเป็นสังคาปาราทิกเพราะต้องอบัตในงานนี้นนเอยเลยไม่สนใจท่านตรงนี้นะเพราะอะไรก็จิตนั้นมันไม่ใช่จิตอยู่ในอัน่นสมมติอันนี้เป็นเรื่องของสมมติอันนั้นท้นไปหมดแล้วมีสมมติอะไรเขาไปเกี่ยวข้องได้เลยมีอะไรเขาไปเกี่ยวข้อง ทั้งพฤติการทั้งมีถูกขฟ้องนะดูมีถ้าผมจำไม่ผิดก็จะพับพระมรนบนะเป็นถ้ า, า, าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันกันนานแล้วผ่านตําลามันนะถูกเขาฟ้องถึงขั้นบาปจิแต่นั้นพระกุทีเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นี่โอ้จะไปฟ้องเธอทําไม้อยู่หรือวางกันเธอเป็นเสด็จวินยัยสมบูรณ์แล้วนี่ว่าเท่านั้นน่ะไม่ได้พูดมากอะไรเลยไปฟ้องเธอหาอะไร เธอเป็นสติวิญญาณทั้งบุญแล้วนี่สติวินญาก็ยกขึ้นมารับเมื่อมีผู้ฟ้องก็ยกสติวิญญาณขึ้นมาถ้ามีผู้ฟ้องหลักธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์แล้วเลยสมมตุติทุกทีทุกอย่างไปแล้วพูด ง, งนะ่ายๆเอาอะไรก็ไปเกี่ยวขอ้องแต่นี่เวลามีผู้ฟ้องก็ต้องวินิจฉัคยคั้ควรมาไปตามเรื่องต่างๆที้บอกว่าเธอเป็นสติวิญญาณทัสมบุญแล้วฟ้องเธอหาอะไรกุฎิเจ้าสำรับจำนิมมิใน นนห้ามืนปากกุาคิดอันนี้มันก็เป็นหน้ามือยิ้มก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปไปฉาไปทาให้มันติดมันเปื้อนเนี่ยมันจะติดติดเปื้อนกับอะไรมันเป็นอาถาระแล้วกับเรื่องสมมุติมันมันเข้ากันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ว่างนั้นเลยนั่นตัวมือมันมั่นแล้วก็ ท่านอยู่อยู่อย่างนั้นตลอดมาเนี่ยนะอยู่แต่นในป่าในเะขาตลอดมาจนกระทั่งมนนนะันนิพพานหลวงปู่มั่นเหล่านี้จะยังลวงท่านทุกคตนต้องมาเจรดีเอาท่านเอาอยู่ในมอลท่านมาอยู่วันดนนทิเวสแต่ก่อนวันดนนทิเวสก็เป็นป่านะทังัดเงียบไม่มีบ้านคนแถวนั้นไม่มีเลยก็เงียบแต่เวลาออกพรรสาแล้วท่านหนุนหนีไปอยู่ที่บ้านหนองน้ําเข็ม ไปทางบ้านหมักหญ้าอะไรไปทางโน้นท่านไปอยู่ภาวนาอยู่ในป่านีนเสียเยนกระทั่งจะเข้าพรรษาท่านถึงมามันจะพรรษาที่วัดโน้ 2, นนี้สองพรรษาท่านก็ไปสักวันท่านมาอยู่ให้เฉพาะเข้าพรรษาแม้จะถามที่นั่นยังจะยังเป็นป่ายี่เรียกอยอันนี้เขาเรียกวัดอ๋อแต่ที่นว่าวัดนุนิเวศนะ่ะเป็นป่านะต่กอน ก็อยู่ให้ในพรรษาตอนนั้นนั้นก็ไปแล้วเพราะออกสองพรษาแล้วก็ไปสกลนครไปจำพรรษาบ้านโคกบ้านนา ม, มุนอลังนั้มาก็ย้อนมาล้มขื้นเป็นเวลสุดท้ายกันบ้านโคกสองปีบ้านนํามนปีหนึ่งแล้วก็บ้านอะอะน้องผื้นีห้าปีก็เป็นแปดปี ท่า น, นอยู่แต่อย่างนั้นเองเราตะวันไหนนราจะอะไรความเปลี่ยนเป็มที่แล้วเรามากกักจะแอะขนไปฉันชาอะไรท่านนะชานิชาเชียงใหม่เขาส่งมาจากเชียงใหม่ชาชาชาเมี่ยงเขาหลามอุ้ยหอมนะเขาหลามส่งมาชื่อชื่อนั้นอะไรนะ นั้นไปวันอา ท, ทิตย์นั่นที่นีเขาส่งมาถวายท่านเป็นประจานะไม่เคยอดไม่เคยขาดนะส่งชามาถวายท่านไม่ว่าชาจีไม่ว่าชาชาเมี่ยงนะถ้าถ้าเร า, าไม่ฉันดีเรื่อยนี่ฉันน่นอนไนม่หลับนะเนี่ยผมถึงถ้าวันไหน มันจะเอากันเป็นที่กับความเพียนนี้คือไม่ให้ความงงงงนอนเข้ามาเกี่ยวข้องควรพอที่ให้ได้ฝืนกันนะก็แอบไปฉันชากับท่านเอี่ยมันนานฉันทีตามปกติผมก็ไม่ค่อยเอาเรื่องแย่กับชากระเทอนน้ำร้อนน้ำชาอะไล้อ้านี่น้าชาฉันเนี่ย้กลมเหมือนเฉลือดุูแล้วแล้วก็ฉันก็กามนี่เอาแล้วนี่นะ วันเช่นอย่างนั้นไม่นอนกลางคืนวันนั้นคือมันไม่ไม่ง่วงนั่งนั่งภาวนาก่อนเป็นหัวต่อเลยความม่วงไม่มากวนพอให้เดตต่อสู้กันเช่นอย่างต่อสู้ด้วยวิธีการลงเดินโยกรมเพื่อแก้ม่วงจะบ้างอะไรอย่างนี้ไม่เลยนั่งได้ตามต้องการเวลาม่วงมันมีธาตุขันมันฟังใครล่ะอัญชันชา หอมถามเงี่ยงเขาเขาเขาเลือกอาาก็แต่ชนิดยายเขาเรียกว่าไม่ใช่ยอดจริงๆนะยอดน่หละแต่ว่าเอาเอาเอาขาเรียกใบคาบไปเพื่อพงหลัพ่อสาวยาวน่ะก่อนขนาดนั้นใบคาบไปเพื่ อ, อทําระหายอดนี่นนหอมแ ล, แล้วไม่มีม่วงละชั้นชาเป็นชันตอนบา่บายบ่ายค่ำหนึ่ง แล้วก็ตอนเย็นผนหนึ่งเท่านั้นนะมั้งตอนเช้าจะหันกิ้นมาก็ฝนมากเรื่องไม่ค่อยฉันมีพูดถึงเรื่องความสมุกสมบันิไม่เป็นน่าสงสารท่านนะทั้งอัศจรรย์ทั้งทั้งสงสารท่านในความลำบากของท่านที่พาบุกเบิกนะพวกเราล่านี้ได้แบบได้สบาบมากท่านแล ก็น่าจะมีแก่ใจคุยปฏิบัติกันมันก็ไม่ได้เรื่องมีสีสําคัญทาไรแล้ น, นี้กับพระกรรมฐานเรามันก็ยิ่งมันจะแซงหน้าแสงหลังกันไปมาแบบนี้อั น, นิ่งหน้านทุเรศทําให้ยวิตกแล้ววิตกนี่ไม่ผิดก็ด้วยนะเราแน่จใจไม่ผิดเพราะพิจารณาแล้ววิตกด้วยการพิจารณานีไม่ใช่โดยการหาเรื่องหาราวยกโทษยกกรณ์ เพือนฝูงโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เราพิจรารณาโดยอัจโ ด, ดยทำวัดทั้งวันว่ามีทางยังกรมมันเป็นไปได้งไงวัดกรรมฐานอันนี้ที่เป็นดูอาทิว่าไปเมืองกาลดุอุ่งจีเหนือผมผมบอกว่าผมเ จ, จ้าหน้สองเวศผมบอกงั้นเลยไปวัดทั้งวัดนะั่ะตะเวนเที่ยวหาดูหมดทางังกรมในวัดกรรมฐานแตแท้นั่นเลย ไม่มีทางกรมเลยมันอยู่กันได้ยังไงอยู่ยังไงว่างนี่เลยละนะครับนันสลดสองเวอ น, นะไปเห็นที่นั่นแล้วสลดสองเวรจะบอกได้ความสลดสองเวรมาผมว่างนี่ย่าลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นนี่ะมันไปทําอะไรอยู่ทางยงกรมจึงไม่เคยเห็นกันเลยท่าทางวัดนะันก็นมาถานอะไรมันน่าคิดอยู่มากมายผมผ ม, ผมไปผมไปดูจริงเนี่ยเที่ยวดูภายในว่าแล้วยังมาแล้ว ออกนอกว่าไปตะเวนเที่ยวหาดูจริงท่านกรมมันอยู่ตรงไหนไม่มีมันจะมีแต่ความ ส, ดดสะดวกสบายอะไรที่ทํางานของพระไม่มีทําที่ทํางานของโลกเขายังมีขา้าราชการงานเมืองเขาก็มีโตะ๊ะมีเก้าอี้มีที่ทาํางานว่าไงเออพวกชาวไร่าชาวาก็นั่นอะไร่นาสวนเขาเป็นที่ทํางานของเขาพ้าเราเป็นอะไรเปนที่ทํางานไม่มีจะเสือกับหมอนนี่เป็นที่ทํางาน เราก็มองไม่เห็นก็มองเห็นเท่านั้นเองถ้าสถานที่ยังโกลมได้แต่ที่ภาวนาไม่มีมันก็มีแต่เสือก็หมอนไปที่ทํางานของพระเรามันสรดสองเวทไหมล่ะพี่นายหมู่เพื่อนเอามาเอาฟังฟังข้นมาหนึ่งเห็นเหตุเห็นผลนี่แหละมันมันกุมันด้วนเข้ามาอย่างนี้จะไม่ริษฐ์ตรงไหนแล้วก็โลกามิตรมันจะเหยียบย่ำทำลายหมดนะความเห็นแก่โลกโลกามิตรภาพสักการบูชาความนับถือ มันมันเป็นบ้าไปแถวนั้นนะ่ะนั้นไม่ใช่ทำเพื่ออาศัยเท่านั้นทำแท้คือการบําเพ็ญให้มันเกิดผลเกิดความแปลกประหลาดอาจารย์ขึ้นผยานใจเจ้าของนั่นทำอยู่นั่นนี่เป็นสมบัติของเจ้าของแท้อันนั้นสมบัติของขายสมบัติของเขาเองเขาไม่ทานมากน้อยก็เป็นของเขาเนี่ยก็เหมือนเราปลูกข้าวในานาอะไรอย่มัน สวยงามขนาดไหนได้ผลมากน้อยอย่างไรนามีผลอะไรคเขาข้าวห้ือไม่เจา้าของก็ต้องถางนี่แม้แต่ฟางก็ควายกินหมดนา ม, มันได้อะไรอันนี้เราก็อาศัยเขาเพียงอย่างนั้น น, นึกว่าปุญจคิดตตังโลกาส่าเนื้อนาบุญของโลกนั่นทํามากน้อยก็เป็นของเขาหมดไม่ใช่ของเราสิ่งส่วนของเราจริงก็คือเราทําเองนี่เราทําเอานี่ใครจะไปกวาดเอา ตอนเอาวัตถุทานของเขาที่มาทานมากมานั้นมาเป็นบุญบร็นุศลของตัวเองได้ไม่มีไม่มีทางมันเป็นของเขาทั้งหมดมากน้อยเราต้องทำเอาสิใครขยันจะตายเกิดตายเกิดสลนั้ขยันแบบทุกข์ก็ให้ขี้เกียจมากมนะถ้าใครไม่ขยันใครเห็นภยัยต่อความทุกข์ดังผู้เจ้าที่เป็นจอมปราศสอนไว้แล้วก็ให้พายายาม แก้ไขฝืนกันกับกิเลสการฝืนมีแต่ฝืนกิเลสทำไมไม่ได้ฝืนธรรมหรอกทําไม่ได้ฝืนท่านนะกิเลสต่างหากพาให้ฝืนกิเลสต่างหาขวางทางเดินของของธรรมถ้าจะเกิดจกตายอย่างนี้ตั้งกลับตั้งกันนับไม่มีประมาณแล้วก่ อ, อให้ขี้เกียจมากๆนี่เป็นยังไงมัน พ, พูดได้อย่างอาถรรพ์จริงนะเรื่องใจเกิดใจไม่เกิด ไม่มันยังเป็นอะไน้ำตาลล่วงว่างโอ้โอน้ำตาลไหลลินลงมาเหมือนน้ำฝนผมพูด จ, จริงๆผมเป็นจริงเวลาถึงขั้นมันเนียวบุโต้บุโต้บโต้โอ้โหโอ้โหถึงโอ้โหโอ้โหถึงขึ้นอุทานเลยนะพออวิชามันขาดสะบั้นลงไปแล้วโอ้โหที่แรกมันเราก็รู้ที่ว่า มันตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหมือนกับว่าต้นไม้นะ่ะตัดรากฝอยเข้าไปตัดรากฝอยเข้าไปวนเข้าไปวนเข้าไปใกล้เข้าไปชิดเข้าไปวงแคบเข้าไปเข้าไปนั่นแต่รากแก้วมันยังอย่างนั่นแหะที่ว่ารู้วหรืว่าไม่เกิดแต่มันค้างไม่นจะค้างอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็เคยพูดเลยผมไปอยู่ธรรโอ้ไปอยู่ทางนน่ทนทรรมผาดัก เวลาเก็บคัดอกเนี่ยมันจะตายจริงๆเขาตายวันละเจ็บแปดเก้าคนแปดเก้าคนไปกุชลามาติกาในในป่าช้าจนไม่ได้กลับกี่ภาพเพราะมาไม่ขานเนี่ยตายแล้วขนกันมาขน ม, มามันโรคอะไรก็ไม่รู้คัดอกคัดวันหนึ่งตายสองวันตายถ้าถึงสามวันไปแล้วมักจะผ่านไปได้ส่วนมากมักตายอยู่ในวันที่สองเราอยู่ก็ แต่กุศลามัติกายเขากุศลาไปกุศลามาก็เราก็เป็นขึ้นมาเลยมันก็แน่แล้วที่นี่กูตายแล้วที่นี่นะวะน่นเป็นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เขาตายเขาเป็นอย่างนี้ ม, ม, มันอย่างนี้นะมันมันเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยมันทิ่มเข้ามาอมันโลกอะไรไม่ทราบนั่นนี่ไอ้ที่นี่ที่ฉลบที่โน้นน่ะไออะมันเหมือนอย่างนี้เวลาเราไอเราจามเนี่ยหาใจแรงก็ไม่ได้ โอกูตตายตายเป็นแบบกูแล้วองค์องค์หนึ่งนี่ที่เคยพูดให้หมูปั้นฟังพูดด้วยความถึงใจด้วยนะพูดด้วยความทันหนัดความเข้าใจจริงๆอย่างถึงใจเจ้าของด้วยอ่าโอ้กุจะไตายถ้ากูตายเดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างว่างั้นเลยนะก็มันรู้อยู่นี่โอ้ว่ามันยังมียังมีถึงมันจะละเอียดขนาดไหนก็ตามมันยังมีก็รู้อยู่ชัดๆในหัวใจนั่นคือมันตัดเข้ามาหมดแล้ว เข้ามาเข้ามาเข้ามาหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับอวิชชาที่มันพันกันอยู่ก็เวลานั้นกำลังพันกันอย่างเต็มที่ถ้าขึ้นเวทีก็ไม่มีกรรมการแยกระหว่าไงไหขนาดไหนหนี่างังสิปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันจึงไม่ได้ถอยกันเลยเอื่อเวทนาอันนี้มันหน้าไหนวะมหน้าไหนหน้าเราเคยลบหน้าเราเคยต่อยกันอยู่แล้วมีใช่หรือ่ามันไม่ไดมีสถกปฐานฟังสิ ในวันที่มันมันมีที่อะไรอวรให้รู้ชัดไม่ลื่มหนักแต่ละ อ, อะไรอววรอหนอึ่งรู้ว่ยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้ถ้าตายแล้วไปเกิดมันก็ทราบชาตว่าจะไม่เกิดตรงไหนอีกโน่นน่ะแล้วแต่มันมันจะค้างนี่สิเนี่ยค้างช่วยวันมันก็ไม่อยากค้างมันจะกพุ่งทีเดียวให้ถึงเลยถ้าพูว่ามันถึงที่แล้วเมื่อไรก็ไปเถอะหนาไม่ได้เสียดายละ ก, ก้อนธาตุอันนี้นะ่ะ แต่มันเสียดายที่ว่าเนี่ยมันจะไปค้างนึ่งสิกูตายนี่ครับกูตายวันนี้กูจะต้องค้างแน่ๆฮะยังไม่จึงไม่อยากพูดี่อย่ายังไม่อยากตายนะขึ้นจากให้อนน้สิบเสร็จก่อนอย่างนี้ก่อนพวกญาติโยมเขาหลังไหลมาเขาเขาก็แน่เหมือนกันกับเรานี่อ่ะขนเขาไปประชามวันวันละมากวันละเก้าวันละน้อยวันละสามละสี่นี่ะตังคี น, นี่เรามาเป็นเนาะเขาก็ระลูกโอ้กหตายแล้วขวาแล้วกหลังไหลกันมาทั้งบ้านเลยมามาเยี่ยมล้วโอ้ย ouais. มาเ right? ยี่ยมมาะไรวะก็โอ้มาเยี่ยมเาีคู่แล้วนี่มาคัดอกกันคัดกัคัดแล้วมันจะเป็นอะไรไปมันจะย่อมคู่นั่งคันนี่วะนี่เป็นรายร้ายวะไล่แต่คึ้เลยแล้วพอเราจะเอาก myślę, ันจะเข่าก็ขึ้นแยที่เรานี่ยังไงๆก็ต้องเอากันนะเป็นก็ตายเมื่อกึ้นแยที่ไม่มีกรรมการแยกอยู่คนเดียวนี่แล้วก็คิดมันไม่เคยถอยซะด้วยนะ อืไล่เขาแตะคือไปหมดเลยนะทีนี้เอาอะไรนี้เข้าที่เลยเอาละไปไงก็เป็นกันนะันเห็นเหตุเห็นผลวันนี้วนะ่าพาดังไปเรื่องทุกเวทนาอริยสัจก็เหมือนอย่างเราเคยพิจารณามาครั้งที่อยู่บ้านนามนแต่เวลานี้จิตมันละเอียดกว่านั้นนี่สติปัญญามันรวดเร็วกว่านั้นอีก ด, ด้วยนี่นั่นที่แล้วเพราะฉะนันความสติทัญญมันจรงิจรงมีไม่ได้ว่างั้นไม่มีเลยนรือเปล่างไงมันมีตัวมีแต่เด็ก ถ้ามันไปจับดึงเอาไว้ล้างเอาไว้มันพุ่งพุ่งมันแล้วก็พอดีขึ้นเรื่องอันนี้ขึ้นมามีแต่ว่าที่ว่าอะไร อ, ไอวานก็คือว่าเรายังไม่ได้ตายที่ว่าจิตมันยังมีอุ่นยังง่ายว่านั่นมันยังมีอะไรมันจะไปค้างที่น่ะมันยังไม่ยังแยกระ้างยังยังแหวะตายจะให้มันพ้นก่อนแล้วเมื่ อ, อไรก็ไปเถอะไม่ว่านี่ก็ฟ้าตื่นเงินสิมาตุ๊หกทุ่มกว่าเนีน่เอาอยู่ตั้งแต่นู่นฟ้าที่นี่ โอ้โหทุกขเวทนานี่มันมันอย่างเนี้เวลาพิจารณากันนี่โอ้ยมันไม่ได้ถอยนะมันไม่ได้กลัวเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเห็นเป็นความจริงอันหนึ่งทุกเวทนาจะมากน้อยขนาดไหนกับทกกระเทือนกันมากขนาดไห น, นไมันเห็นจะเป็นสัจธรรมสัจธรรมมันฟาดกันอยู่ตรงนั่นสิมันไม่เคยสะทกสะท้านไม่เคยกลัวทุกขเวทนาเลยเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันใช่กันอยู่แล้วนี่ว่าไง ั่านท่านที่แบบเป็นเองหมุนเองติว้วตี้วนี่แล้วที่นี่พอขึ้นเวทีเท่านั้นแหละไม่ต้องยกครูเลยเอาพูดมันถึงใจวะไม่ได้ยกครูเลยผึงเลยคถอะใส่กันเต็มที่พุมาต้ผล่ทุ่งกว่างเอ๊ะนี่มันแปลกนะเวลามันมันแยกกันนี่นะสติปัญญามันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเวลามันแยกกันแยกกันแยกกันออกแยกกันออกไอ้ไอ้โลกคัดคัดอกขึ้นมนาะมันเห็นจะคัดรู้จะท่าน มันขาดลงขาดลงขาดแลด้วขาดสะบันลงไปเลยทีนี้โล่งหมดเลยนแล้วมันก็ชดัดอีกว่าอ้าวทีนี้ไม่ตายหรือวะผมดูนั่นมันแก้มันมันแก้ด้วยธรรมโอสฐมันแก้อย่างนั้นอย่างแล้วเราจะพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าเราบ้าไปไม่ทราบว่าใครเป็นบ้าล่ะสิมันแก้กันได้ยอย่างสดสดร้อนๆนั่นมอนก็แลกกันแน่ใจด้วยว่าทีนี้ไม่ตายนั่น หายปัจจุบันก็ด้วยนะเวลามันมันโลง่งพอมันออกเต็มที่แล้วมันโล่งหมดเลยนะี่ไม่โห้ออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วโล่งหมดเลยไม่ตายแต่นั้นก็ลงเดินจมกลมเลยดไม่นอนเลยพอเห็นพอลงจากเวทีก็เดินจงกลมคือทุกเวทนานั้นดับหมดแล้วรอบกันแล้วเต็มที่แล้วประจักรไม่มีอะไรปัญหาอะไรแล้วไม่ตายเหนื่อแน่แล้วดิแ น, นก็หายตั้งแต่บัต น, นั้นนะ นั่นไม่เห็นมีอะไรมาซ้ามาเติมบีนะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกให้เดี๋พิจารณากันอีกไม่เลยขาดชะบันไปหมดนั่นเห็นไหมธรรมโอสฐนี่เราจะไปพูดให้ใครฟังผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นนะธรรมวิชชาท่านมาบใหผู้ปฏิบัติเป็นสัติวิโกสัจธรรมเป็นสับัติของทุกคนเอาตรงนี้ต่งนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรหมดปัญหาแน่ใจท่านเป็นเดือนเป็นเดือนเมษาเนนาะนะ พอกอย่างนั้นก็ไปขึ้นไปว่า ด, ดอยละก็เป็นเดือนพฤษภาดดแต่ก็ดอยกลับมานี้ท่าน อ, อ่คุณว่าไล่ให้ไปเป็นอันนั้นเป็นก ร, รมวาจ a ฉวดกังว a จ a ให้หมอเจริญวัฒนสุชาติจเจริญตอนนั้นลุมเือนแพทย์ปีที่สองยังไงนะอะบวัวแล้วเราก็ ข, ขกึ้นเขาเลยขึ้นเขาดอยทํามเจดีก็ไปซัดกันอยู่บนบนเขาหน่ะ ลงจากนั้นมาแล้วก็หนึ่มาอำเภอวัดเจริภูมิมาจะมาจำสาที่นั่นให้ตกลงก็จําจําไม่ได้เพอาะสงสารบ้านน้องผือให้ต้องย้อนกลับไปจำสายที่บ้านน้องผือนีพูดเรื่องอะไรมาถึงคมาถึงนี่อีก ล, ล่ะอืมเรื่องพ่อแม่กูจะมัน่นไม่ไหนมันมาได้จนได้วะพูดพูดวันนั้น อันโตวุฒะอันโตประกาศสามะประกาเวลาไปฟังแล้วมันมันหลงนะมันมาแปลซ้าของเก่านั้นอันโตวุทฒะแปลว่าเก็บไว้ภายในอันโตประกะศให้สุบภายในนี่มาอันโตวุธะอันเก่าอีกแล้วให้สุบภายในฟังในเทมยังงั้นแหละทุกวันนี่ความจํามันเลื่อนลอยไปสามะประกาศให้สุกเองทําทําแปลเองต้มเองนี้เอง อันัวประกา่ทำให้สุกอยู่ภายในกุฏิอันตต ว, วุธะเก็บสั่งสมไว้ในกุฏิพวกับประเภทอาหารการกินไม่ถูกไม่ควรตัรบอาบาัดความหมายว่างั้นานามนั่นพระพุทเจ้าท่นยี ก, กันไว้ที่จะเป็นช่องทางให้กิเลสล่วงไหลเข้าไปท่านปิดขรานไหนมันก็ไปเปิดออกเปิดกับกิเลสเราไปเปิดกิเลสหัวใจคนนั้นแหละหัวหใจพลาเนี่ย ก็ไข่ในร้นั้นคือก้นกระปุกจุดก็ยจุดเกิดหมาดที่ทำอะไรต้องคิดนะดูยูทูบเนี่ยมาจนจะเป็นกล่องขึ้นกล่องไฟเผาอยู่อางนี้ความพอดีทำอะไรไม่คิดนี่ไม่ดีนี่เรียกว่าเปรตหัวกุนเปรตหัวกุดไม่ใช่หัวคิดปัญญายุ่งงเฉยเฉยไใช่ความคิดปัญญาจักจะหาความฉลาด มาแก่ตรงไหนวะเอาเก็บอันนีน้ออกไปเถอะ